เรื่องทำพะกสนิมในใจหมายเลขสิบเอ็ดธรรมดาหมอยาจะให้ยาแก่คนไข้ต้องตรวจดูด้วยว่าคนไข้จะกินยานั้นได้หรือไม่เพราะคนไข้บางคนมีโรคอื่นแทรกเช่นโรคอ้วกหรืออาเจียนต้องแก้ทางอาเจียนก่อนเพราะถ้ายังอาเจียนอยู่ถึงให้ยากินก็ไม่ได้ผลกินเข้าไปแล้วประเดี๋ยวก็กลับออกมาหมด โรคประเภทกันท่าไม่ให้คนไข้กินยามีอยู่หลายโรคด้วยกันการฉีดธรรมะเข้าสู่สังคมก็เหมือนกับการวางยาคนไข้นั่นแหละถ้าจะทำกันให้เป็นการเป็นงานให้ได้มักได้ผลเราจะต้องตรวจดูด้วยว่ามีสิ่งใดบ้างที่คอยกีดกันกั้นกลางไม่ให้ธรรมะเข้าถึงใจประชาชนแล้วต้องโจมตีเข้าที่จุดนั้น เป็นการบุกเบิกทางให้ธรรมะเข้าไปช่วยผู้ที่เราต้องการจะช่วยท่านผู้สนใจกับงานเผยแผ่ธรรมะของข้าพเจ้าและได้ติดตามมาตั้งแต่ระยะต้นๆคงจำได้ว่าข้าพเจ้าได้พูดและเขียนเรื่องเรื่องหนึ่งอย่างซ้ำๆซากๆเมือ่อห6ปีล่วงแล้วและเรื่องนั้นได้ออกมาในรูปหนังสือแจกเล่มเล็กๆคือชุดก้าวหน้าก้าวที่หนึ่ง ชุดก้าวหน้าที่พิมพ์ครั้งแรกจริงๆการพิมพ์เหลวมากทั้งตัวอักษรทั้งการจัดเล่มเพราะเป็นการเริ่มแรกที่ข้าพเจ้าเองอยังไม่ได้รับการร่วมมือจากทางใดแม้แต่ผู้ที่จะให้กำลังใจก็มีน้อยต้องไปจ้างพิมพ์โรงพิมพ์เล็กๆอยู่ใต้ถุนเรือนของเขาหนังสือชุดก้าวหน้า9้านั้น คือกระสุนนัดแรกของข้าพเจ้าในการบุกเบิกทางเข้าไปช่วยสังคมเป้าหมายในการโจมตีก็คือธรมภะอุปกิเลสลำดับ11นี่เองตกลงเรื่องธรมภะนี้ข้าพเจ้าเขียนไว้แล้วในชุดก้าวหน้าก้าวที่หนึ่งซึ่งในที่นั้นได้ให้เชื่อเรื่องว่าโรคธรมภะเป็นหนังสือที่แพร่หลายมาก จนข้าพเจ้าเองก็อัศจรรย์ใจว่ามันเป็นไปได้อย่างไรข้าพเจ้าเองลงทุนแต่จ้างพิมพ์ครั้งแรกห้าร้อยเล่มจากโรงพิมพ์ได้ถุนเรือนเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาเป็นทุนของคนที่ได้อ่านแล้วเกิดชอบใจได้เสียสละทรัพย์พิมพ์เผยแผ่เมื่อเนื้อหาส่วนใหญ่ของเรื่องมีอยู่ในชุดก้าวหน้าแล้วและหนังสือนั้นก็มีแพร่หลายอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องดึงกลับมาบรรยายอีกเพราะเราต้องก้าวต่อไปถ้าจะเท้าความเดิมบ้างก็เพียงแต่อ้างอิงไม่ใช่พูดซ้ำที่เสีย ว, ว่าเราเดินทางมานานแล้วหากจะเอี้ยวตัวมองกลับไปทางต้นทางบ้างก็ได้แต่ไม่ถึงกลับหันหลังไปเดินย้อนมาใหม่ตอนความหมายของธรรมพะธรรมพะคำนี้ ถ้าเป็นนามเคยแปลว่าเสาถ้าเป็นคํากิริยาแปลว่าคําจุนอุดหนุนอุ้มชูฟังดูคําแปลแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายหน่าเกลียดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เสียด้วยซ้ําอย่างเช่นคนที่เราเรียกว่าผู้อุปถัมถ้าดูศัพท์กันแล้วอุปถัมก็คืออุปับวกธรรมภะนั่นเองหมายถึงผู้อุ้มชู หรือเป็นหลักเป็นประธานกันล้มสมัยนี้เห็นแต่งตั้งกันให้เกลอไปโดยเฉพาะงานวัดดูเหมือนจะงานไหนงานนั้นเป็นต้องดึงเอาผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเป็นผู้ประถมตัวไม่มาเอาแต่ชื่อมาลงพิมพ์ในดีกาก็มีตกลงคำว่าถ้ำพะถ้าดูตามรูปศพแล้วก็ไม่เห็นเสียหายอะไร เป็นเรื่องของสิ่งที่มีลักษณะแข็งแรงสามารถจะค้ำจุนสิ่งอื่นไว้ได้แต่เมื่อเอาคำนี้เข้ามาเป็นคุณบทของจิตใจธัมภะหมายถึงความแข็งกระด้างของจิตแข็งเหมือนกันแต่แข็งคนละอย่างถ้าไม้เป็นไม้ธรรมภะก็เป็นไม้แข็งแรงแต่ถ้าใจเป็นใจธรรมภะก็เป็นใจแข็งกระด้าง เป็นความเสียหายของจิตอาการแข็งกระด้างของจิตอย่างนี้ภาษาไทยเราเรียกว่าความดือ้อคือหัวใจมันดือ้อซึ่งเราเรียกสั้นๆว่าหัวดือ้อคนหัวดื้อมีสองประเภทตามที่เขียนไว้ในชุดก้าวหน้าแล้วคือประเภทดื้อด้านกับประเภทดืดึงดื้อสองประเภทนี้ไปตอนที่มันกำเริบร้ายแรงแล้ว เราเรียกต่างกันไปบ้างพวกดื้อด้านกลายเป็นหัวแข็งส่วนพวกดืดดึงกลายเป็นคนหัวรั้นทั้งหัวแข็งทั้งหัวรั้นก็คือหัวดื้อนั่นเองแต่ว่าดื้อคนละแบบเพื่อให้ท่านผู้อ่านไม่ต้องเสียเวลาคบคิดอะไรให้มากข้าพเจ้าขอย้อนไปพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจิตใจสักนิดหน่อยก่อนคือ ใจิตใจของคนเรานี้เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งพัฒนาการไปได้ทำให้เจริญขึ้นก็ได้ทำให้สุภาพเรียบร้อยขึ้นก็ได้รวมความว่าสามารถจะพัฒนาการไปได้ในทางดีได้แต่ทั้งนี้จิตนั้นจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากภายนอกด้วยเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ซึ่งมีเชื้อพร้อมอยู่ในตัวสามารถงอกขึ้นเป็นต้นเป็นลำใหญ่โตต่อไปได้ จะ ต, ต้องได้รับการช่วยเหลือจากวัตถุธาตุภายนอกเมล็ดเช่นดินน้ำปุ๋ยอากาศแสงแดดเป็นต้นจึงจะงอกขึ้นใหญ่โตเช่นนั้นได้จิตที่ว่าเป็นธรรมชาติพัฒนาการได้ก็เหมือนกันถ้าละพังจิตเองโดดๆดดก็ดีขึ้นไม่ได้กี่มากน้อยเราลองนึกสมมุติเอาง่ายๆว่าถ้ามีคนคนหนึ่งถูกกันไว้โดดเดี่ยวลาพังคนเดียว ในเกาะกลางทะเลหลวงไม่มีการติดต่อกับใครๆเลยวันๆเห็นแต่น้ำกับฟ้าใจของเขาจะมีวิชาความรู้เฉลียวฉลาดขึ้นเองได้หรือไม่ย่อมเป็นไปไม่ได้จริงอยู่จิตของเขาอาจมีความเปลี่ยนแปลงไปตามไหวบ้างแต่ก็ชั่วสิ้นแรงกรรมและสัญชาตญาณเท่านั้นเหมือนเมล็ดพันธุ์ผลไม้ที่ถูกเก็บไว้ในที่จากัด ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งอื่นเลยมันอาจแตกหนองอกใบได้บ้างเหมือนกันแต่ไปไม่เท่าไหรก่ก็งองหงิกและเหี่ยวแห้งตายไปอะไรเล่าที่ช่วยให้จิตใ จ, จเจริญขึ้นที่สำคัญที่สุดก็คือคำว่ากล่าวตักเตือนของท่านผู้รู้ทั้งหลายคนที่เกิดก่อนเราเห็นเดือนเห็นตะวันมาก่อน ได้ถ่ายเทวิชาความรู้แขเนงต่างๆไว้เต็มโลกเราเกิดภายหลังหรือได้เรียนได้รู้ภายหลังก็ได้อาศัยคํากล่าวตักเตือนและวิชาความรู้เหล่านั้นสร้างความเจริญแก่ชีวิตจิตใจของตนเหมือนต้นไม้ใบหญ้าที่เกิดก่อนสลัดใบล้มต้นทับถมแผ่นดินไว้เป็นปุ๋ยให้แก่ต้นไม้ที่เกิดภายหลังฉันนั้น คำว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ภาษาของศาสนาเรียกว่าโอวาทแปลตามตัวว่ากล่าวลงหมายถึงคำที่กล่าวถ่ายเทตกลงมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ลงสู่ผู้น้อยจากคนเกิดก่อนลงสู่คนเกิดหลังจากคนความรู้สูงลงสู่คนความรู้ต่ำคำว่าโอวาทนั้นแบ่งเป็นสองลักษณะคือก็ไก่ เป็นคำสั่งและขอไข่เป็นคำสอนประเภทคำสั่งได้แก่ข้อที่ท่านผู้รู้สั่งไว้เป็นคำขาดว่าให้ทำหรือไม่ให้ทำคำสั่งทางศาสนาได้แก่ศีลหรือวินยัยคำสั่งทางโลกหมายถึงกฎหมายระเบียบวินยัยกติการวมทั้งคำสั่งของผู้บังคับบัญชาด้วย คำสั่งดังกล่าวนี้อาจเป็นตัวบทที่ศึกษาท่องจำกันก็ได้อาจประดิษฐ์ขึ้นเป็นเครื่องหมายหรือสัญญาณก็ได้เช่นป้ายจราจรห้ามรถเข้าห้ามรถออกห้ามเลี้ยวห้ามแซงตลอดจนสีแดงที่เป็นสัญญาณซึ่งได้ตกลงกันไว้เช่นธงแดงธงเขียวไฟเขียวแดงเหลือง สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดรวมอยู่ในคำสั่งโดยอนุโลมประเภทคำสอนได้แก่คำแนะนำพร่ำสอนให้เราปฏิบัติเพื่อให้ตัวดีขึ้นจะเป็นคำสอนทางศาสนาตรงๆก็ตามคำสอนของผู้หลักผู้ใหญ่คำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คำสุภาษิตหรือแม้คำชี้ชวนในทางดีโดยทางใดๆก็ตามรวมอยู่ในคาว่ากล่าวประเภทคาสอน นี่แยกการให้พูดง่ายฟังง่ายเมื่อรวมกันแล้วก็คือคำสั่งสอนนั่นเองที่จำเป็นต้องวกมาพูดถึงคำสั่งสอนก็เพื่อจะแนะนำให้ท่านผู้อ่านรู้จักธรรมะได้ง่ายเข้าเพราะคำสั่งสอนกับธรรมะเป็นคู่ปรับแก่กันคนที่มีอาการธรรมะในใจใจจะมีอาการเบื่อหน่ายเกลียชังคำสั่งสอน จะเกลียดมากเกลียดน้อยแล้วแต่ธรรมภะในใจจะรุนแรงเพียงใดถ้าธรรมภะแรงมากก็เกลียดคำสั่งสอนมากจนจิตเกิดความดิ้นรนวุ่นวายเหมือนถูกสาดด้วยน้ำร้อนก็ไม่ปานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคำสั่งสอนนั้นเป็นคำสั่งสอนที่จะให้เลิกความดื้อด้วยแล้วคนที่มีธรรมภะอย่างแรงจะรู้สึกเหมือนถูกด่าหรือถูกตบหน้าอย่างแรงเขาจะโกรธเคืองมากทีเดียว คือคนที่ดือ้อไม่อยากให้ใครว่าตัวดือ้อเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยประสบมาเมื่อ 3-4 ปีหลังนี้เองซึ่งเป็นระยะที่กรมสวัสดิการทหารบกมอบให้ข้าพเจ้าปกครองนักเรียนหอพักบุตรข้าราชการกองทหารบกในวงเล็บตำแหน่งพิเศษไม่ใช่ประจําในบรรดานักเรียนเหล่านั้นมีนักเรียนดื้อมากอยู่สองคนคนหนึ่งดื้อด้าน อีกคนหนึ่งดื้อดึงทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันดื้อดึงเป็นผู้นำดื้อด้านเป็นผู้ตามระยะนั้นพอดีกับข้าพเจ้าจำเป็นต้องค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตใจมากเป็นพิเศษเพื่อแต่งหนังสือพุทธวิธีครองใจคนคนไปคนไปก็ไปเจอเกล็ดวิชาเข้าหน่อยหนึ่งใจความว่ า, วาจิตของคนงเราโดยปกติแล้ว เกลียดความชั่วช้าเร็วสามแม้ความชั่วที่ตัวเองชอบแสดงอยู่แท้ๆถ้ามีใครหยิบเอามาพูดให้ฟังเขาก็จะไม่พอใจอย่างมากหลักวิชาว่าอย่างนี้ครั้นค้นพบเขาแล้วก็อยากจะทดลองดูว่าที่จริงแค่ไหนก็พอดีกับระยะนั้นทางจังหวัดลำปางขอบทความของข้าพเจ้าไปพิมพ์ จะเป็นวัดไหนหรือโรงเรียนอะไรจบไม่ได้แล้วข้าพเจ้าเขียนบทความเรื่องโรคถมพะใหม่ๆเลยให้ต้นฉบับไปพิมพ์ครั้นผู้ขอไปพิมพ์รวมเล่มแล้วก็ส่งมาให้ข้าพเจ้าหนึ่งเล่มเป็นหนังสือขนาด8หน้ายกหนาไม่น้อยกว่าหนึ่งหน้าปกพิมพ์สีสีสวยงามมากทีเดียวครั้นข้าพเจ้าได้รับหนังสือนี้แล้วเห็นมีบทความเรื่องโรคธมภะ ซึ่งคุปตเจ้าเขียนเองอยากจะลองวิชาดูจึงเอาให้นักเรียนทรพาสองคนนั้นไปอ่านสั่งว่าให้คนดื้อด้านอ่านก่อนแล้วให้คนดืดึงอ่านทีหลังที่สั่งอย่างนี้เพราะคาดว่าคนดืดดึงนั้นโดยปกติจิตใจรุนแรงถ้าให้อ่านก่อนแล้วเกิดเดือดด้านขึ้นอาจเวียงหนังสือลงคลองไปเสียก็ได้คนดืดด้านจะไม่ได้อ่าน ฉะนั้นจึงให้ผู้ดื้อด้านอ่านก่อนข้าพเจ้ารู้อยู่แล้วว่าดื้อด้านไม่เป็นภัยคือดื้อประเภทนี้คือพวกดื้ออ่อนไม่ชอบถกเถียงยิ้มเสมอแต่ไม่ทำตามข้าพเจ้าคาดการไม่ผิดเลยแม้แต่นิดเดียวผลปรากฏว่าหนังสือเล่มนั้นได้ถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทั้งเล่มโดยคนดื้อดึง ข้าพเจ้าแกล้งดุเขาที่ฉีกหนังสือแตใจจริงรู้สึกดีใจมากที่ได้พบความสําเร็จอย่างงดงามในการพิสูจน์ทางจิตมันเป็นความจริงทีเดียวที่คนมีโรคธรรมภะแล้วไม่อยากอ่านไม่อยากฟังเรื่องธรรมภะเรื่องของเรื่องก็คือไม่ชอบคําสั่งสอนนั่นเองแม้แต่เวลานี้ถ้าท่านผู้อ่านมีโรคพันุนี้อยู่ในใจมาก ก็จะรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันข้าพเจ้าขอพาท่านวนไปทางเดิมอีกนิดยังมีอะไรที่น่าจะฝากท่านผู้อ่านไว้เป็นข้อคิดอีกหน่อยคนดื้อสองประเภทที่ว่ามาแล้วว่าเป็นคนไม่ชอบคำสั่งสอนนั้นยังเป็นการพูดที่รวบรัดอยู่หากจะแยกความรู้สึกในใจของคนดือ้อตามที่ข้าพเจ้าสังเกตมาปรากฏว่า คนดื้อด้านเกลียดคำสอนมากกว่าคำสั่งคนดื้อดึงเกลียดคำสั่งมากกว่าคำสอนหมายความว่าคนดื้อด้านนั้นเคร่งครัดในคำสั่งดีพอควรแต่ไม่เอาเรื่องในทางคำสอนอย่างนักเรียนที่ข้าพเจ้าว่าดื้อด้านนั้นเรื่องระเบียบการปกครองแกดีทุกอย่างจะผิดอะไรไม่ได้เลยแต่ที่สอนให้ขยันเรียน ให้ตั้งอกตั้งใจศึกษาแกไม่เอาเรื่องแกเสียทางนี้ทางไม่รักดีนี่ส่วนคนดื้อดึงนั้นเกลียดที่สุดคือคำสั่งสั่งอะไรเข้าไม่ได้เหมือนถูกเอาไฟจี้หลังเป็นหาทางลองดีทุกทีระเบียบ ว, วินัยป่นปี้หมดแต่ทางศึกษาหาความรู้กลับดีมากนี่เป็นผลการสังเกตของข้าพาเจ้า ระหว่างที่ข้าพเจ้าตกอยู่ในหน้าที่ผู้ปกครองนักเรียนนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้มาจากการปกครองนักเรียนหอพักบุตรข้าราชการของทับบกเป็นเวลาสี่ปีก็คือได้ลองวิชาเกี่ยวกับจิตใจอย่างนี้เท่านั้นนอกจากนี้แล้วมีแต่ความทรมานใจทั้งสิ้นเพราะต้องผเผชิญกับอุปกิกเลสข้อถ้ำพระในใจของนักเรียนบางคนวันแล้ววันเล่า ในระยะหลังๆก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งนั้นข้าพเจ้าได้หลักเกณฑ์ทางนโยบายปกครองคนหัวดื้อบ้างเล็กน้อยรู้สึกว่าใช้ได้ผลคือถ้าจะสั่งสอนคนดื้อด้านให้แปลงคำสอนออกมาในรูปคำสั่งให้มากที่สุดว่าเป็นข้อเป็นข้อไปเลยปวยการไปชักแม่น้ำทางห้าหรืออธิบายสับแสงทางเหตุผล แต่ถ้าจะสั่งสอนคนดื้อดึงต้องแปลงคำสั่งให้เป็นคำสอนเสียก่อนอธิบายชี้แจงกันจนเข้าใจแล้วจึงให้ทำอย่างนี้ข้อ ย, อย่างชัวถ้าสั่งโครมออกไปเฉยเฉยพะต้องลองดีจนได้นี่คือหลักวิชาที่ได้มาจากการทรมานตัว 3-4 ปีนั้นที่พูดนี้เป็นการบันทึกไว้เท่านั้นประเดี๋ยวบางท่านจะเข้าใจว่า ข้าพเจ้ารำพันเพื่อจะกลับไปกินตำแหน่งเดิมอีกเปล่าเลยชาตินี้ทั้งชาติจะไม่ปรารถนาเป็นผู้ปกครองนักเรียนขอพักนั่นอีกเลยไม่ใช่ขาดเมตตากรุณาไม่ใช่ขี้ขลาดไม่ใช่เห็นแก่ตัวแต่เกลียดธรรมพะเท่านั้นตอนโทษธรรมพะโทษของความดื้อ น, นั้นยากที่จะประมาณได้ ในหนังสือชุดก้าวหน้า9ที่หนึ่งข้าพเจ้าพูดไว้ให้ผู้อ่านคิดเอาเองว่าถ้าสมมติว่าเราเอาความดีความเจริญทั้งสิ้นในชั่วชีวิตนี้ออกมาเผาไฟทิ้งเสียหมดแล้วเราจะได้รับความเสียหายเท่าไหร่ความดื้อก็มีโทษเท่ากับความเสียหายนั้นในทางศาสนาท่านก็ไม่ได้แสดงโทษไว้ตาย ต, ายตัวว่าดื้อขนาดไหน มีโทษเท่าไหร่เป็นแต่แสดงภายของความดื้อไว้อย่างมากมายในคำสั่งสอนของทางศาสนาทั้งทางธรรมทั้งทางวินัยแต่ถ้าจะคิดถึงเหตุผลในทางปฏิบัติก็พอจะแยกโทษของธรรมภะออกเป็นสองประการคือ 1. ให้โทษแก่ตัวเองได้กล่าวแล้วว่า ใจิตใจของคุณเราจะพัฒนาการขึ้นได้จะต้องได้รับสิ่งภายนอกให้ความช่วยเหลือด้วยและสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนอย่างสำคัญก็คือคำสั่งสอนของท่านผู้อื่นทีนี้ทำภาพเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันทำให้จิตเบื่อหน่ายคำสอนเข้ากันไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมายความว่าจิตจะต้องอาพับเจริญขึ้นไม่ได้ เป็นเหตุผลธรรมดาธรรมดานี่เองนึกดูว่าคนเราเติบโตเพราะอาหารถ้าเกิดเป็นคนเบื่ออาหารเสียแล้วจะเติบโตได้อย่างไรใจของคนก็เหมือนกันเบื่อหนังเบื่อละครเบื่อร้องรำเบื่อได้ไม่เป็นไรไม่กระทบกระเทือนต่อจิตใจเท่าไหร่แต่เบื่อคําสอนร้ายมากจิตจะต้องดักดานไม่มีทางเจริญ ท่านผู้อ่านคงจะนึกถึงข้อความในชุดก้าวหน้าได้ในที่นั่นข้าพเจ้าชี้ให้ดูตัวอย่างไว้แล้วอย่างชัดเจนเช่นแมวดื้อหมาเก่งลิงฉลาดว่าไว้หมดแล้วคนดื้อมักจะเข้าใจผิดอยู่อย่างคือเข้าใจว่าตนเป็นคนฉลาดรู้มากกิ่งมากกว่าคนที่ว่ากล่าวตักเตือนแต่ในสายตาของปราด ท่านไม่เห็นอย่างนั้นท่านกลับเห็นว่าความดื้อที่แสดงออกมานั่นแหละเป็นเครื่องสอดถึงความโง่มีเรื่องที่ผูกไว้อย่างนี้พระเจ้าจิตรราชผู้ครองกายนครมีอำมาตอยู่สองคนคอยผัดเปลี่ยนกันเข้าเฝ้าปรึกษาข้าราชการอำมาตยสองคนนั้นคนหนึ่งชื่องโง่อีกคนชื่อฉลาด ทางด้านประตูวังก็มียามอยู่สองคนพลัดเปลี่ยนกันยืนยามคนหนึ่งชื่อหัวดือ้ออีกคนชื่อว่าง่ายนายหัวดื้อเป็นพวกเดียวกับอมัดโง่ทานายหัวดื้อเป็นยามยืนเฝ้าก็กีดกันอมัดที่ชื่อฉลาดไม่ให้เข้าเฝ้ายอมแต่ให้อมัดโง่เข้าส่วนนายว่าง่ายเป็นฝ่ายเดียวกับอมัดฉลาด เมื่อตนยืนยามก็คอยเปิดประตูให้อมาดฉลาดเข้าเฝ้าตกลงว่าถ้าเราเห็นว่าง่ายเฝ้าประตูก็รู้ว่าฉลาดอยู่ข้างในแต่ถ้าที่ประตูเห็นหัวดื้อคุมแจก็ถ่ายได้ไม่ผิดว่าโง่กำลังเข้าเฝ้ามันเป็นความผิดพลาดอย่างมากมายที่ถ้าหากใครจะคิดว่าคนแสดงความดือ้อไม่อยากให้ใครสั่งสอน ลบหลู่ดูหมิ่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อแสดงความเป็นคนฉลาดพอตัวเพราะความดื้อกับความโง่มันพวกเดียวกันถ้าข้างนอกเห็นดือ้อยู่ก็รู้ทีเดียวว่าโง่กำลังซุกอยู่ข้างในสองโทษของธรรมะในทางส่วนรวมจะขอชี้ช่องให้คิดเพียงเล็กน้อย บ้านเรือนที่เราได้อยู่อาศัยกันเป็นหลังเป็นหลังนี้มีตัวไม้หลายชิ้นมารวมกันโดยมีเครื่องยึดเช่นตะปูนอ็อตลิมลวดตอกขัดเอาไว้ขันเอาไว้คุมชิ้นส่วนต่างๆเข้าเป็นบ้านเรือนหมู่คณะก็เหมือนกันมีระเบียบกฎกติกากฎหมายศีลวินัย และคำสั่งของผู้เป็นหัวหน้าเป็นเครื่องควบคุมคนทั้งหลายให้รวมกันเป็นหมู่คณะเป็นบ้านเป็นวัดเป็นประเทศชาติถ้าสมมติว่ามีคนคนหนึ่งแกเป็นศัตรู ก, กันกับเครื่องยึดบ้านเห็นตะปูเห็นน็อตไม่ได้เหมือนหนามแทงตาแกคอยงัดคอยแงคอยแต่จะรื้อถอนคนเช่นนี้ควรหรือที่จะอยู่ในบ้านเรือน คืนอยู่ไปประเดี๋ยวบ้านจะพังทลายทั้งหลังเท่านั้นคนหัวดื้อก็เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกดื้อดึงเป็นอริ ก, กันโดยตรงกับเครื่องคุมหมู่คณะคือระเบียบวินยัยคนประเภทนี้อยู่ในหมู่ใดก็คอยแต่จะรื้อจะถอนระเบียบ ว, วินัยของหมู่ทำให้หมู่คณะรวนเรจนถึงกับล่มจมลงไปก็ได้คนประเภทนี้จึงเป็นคนที่หมู่คณะไม่พึงปรารถนา ตอนแก้ดือ้อหนึ่งแก้ดื้อให้คนอื่นมีสามชั้นคือหนึ่งว่ากล่าวสองลงโทษและสามลงพรหมทันคือประกาศเลิกสั่งสอนเลิกคบเลิกติดต่อโดยสิ้นเชิงเมื่อไม่มีใครเหลียวแลเลยก็จะรู้สึกตัวเองสองแก้ดื้อในใจเราเอง มีวิธีเดียวคือหาดเป็นคนว่าง่ายเสีย